ถามถ้าผมรักกับผู้หญิงทางอินเทอร์เน็ตเธออยู่ต่างประเทศไม่เคยพบตัวจริงเห็นเพียงรูปและวิดีโอแต่ก็ตกลงร่วมกันว่าเป็นสามีภรรยาคือต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกว่าเป็นของกันและกันแล้วและสัญญาว่าจะไม่นอกใจตั้งใจแต่งงานกันจริงๆเมื่อเธอกลับมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ากับทั้งประกาศกับครอบครัวและเพื่อนฝูงที่สนิทให้รู้กันแล้วอย่างนี้ถือว่าผมกับเธอเป็นคู่ผัวตัวเมียกันแล้วหรือยัง หากเธอไปมีอะไรกับชายอื่นโดยที่ชายคนนั้นรับรู้ว่าเธอแต่งงานด้วยวาจาแล้วจะนับว่าชายคนนั้นผิดศีลข้อกาเมสุมิฉาจารหรือไม่ครับตอบเรื่องตกลงกันทางวาจาว่าเป็นสามีภรรยากันทั้งที่ไม่เคยเจอหน้านั้นมีมานานแล้วครับแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นคงน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นแบบอารมณ์ว้าบหวามรุนแรงพาไปไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นฐานของการมีโอกาสใกล้ชิดกันตามจริงคู่รักทางเน็ตเยอะแยะไปที่ปากใจเชื่อแน่วแน่ว่าเป็นคู่แท้เป็นสุขทราบร้านเมื่อพูดคุยกันใกล้ชิดกันผ่านกิจกรรมทางเน็ตแล้วรู้สึกแนบแน่นเป็นจริงเป็นจังซะยิ่งกว่านั่งตักคนตัวเป็นๆถ้าว่ากันตามวิถีโลกแล้ว การแต่งงานที่สมบูรณ์แบบมักไม่ได้เกิดขึ้นจากการตกลงร่วมกันเฉพาะชายหญิงตามลำพังถ้ายังมียาติผู้ใหญ่อยู่ก็ต้องพาไปให้ดูตัวมีมิตรสหายร่วมรับรู้มีกฎหมายรองรับการเป็นสามีภรรยามิฉะนั้นให้ถือว่าเป็นแฟนซึ่งปัจจุบันคำว่าแฟนก็อาจหมายถึงคนที่ทดลองอยู่ด้วยกันแบบพร้อมจะแยกทางไม่มีข้อผูกมัดชัดเจน แค่เริ่มตกลงเป็นแฟนคือคบหาเป็นคนรักกันเฉยๆก็เท่ากับยินยอมเสียอิสรภาพส่วนตนให้แฟนแล้วเช่นตรวจสอบชีวิตประจำวันได้เป็นที่คาดหมายว่าจะต้องซื่อสัตย์ไม่ไปคบใครเปละเป็นต้นปัญหาที่มักสงสัยกันก็คือระดับการครบหาใกล้ชิดแค่ไหนจึงเรียกว่าหมดสิทธยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นถ้าขืนทา เป็นอันว่าต้องโทษกรรมคือกาเมสุมิชฉาจารในสมัยหรือในท้องถิ่นที่บุรุษมีสิทธ์เหนือสตรีเช่นสังคมทั่วไปอนุญาตให้ชายมีภรรยาได้หลายคนเรื่องของศีลข้อกาเมสุมิตฉาจารจะเป็นเน้นกันที่ฝ่ายหญิงกล่าวคือหากมีการจองตัวกันแม้ด้วยพวงมาลัยคล้องคอก็ให้ถือว่าเป็นการมั่นหมาย เรือนร่างของหญิงนั้นเป็นของต้องห้ามไปแล้วไม่ว่าตัวหญิงเองทอดสะพานหรือชายอื่นมาร่วมอภิรมทั้งรู้ว่าเป็นของต้องห้ามก็ถือว่าทำบาปด้วยการก่อเรื่องบาดใจคือละเมิดอเสียงข้อกาเมสสมิทธิ um ์ชาจรย์ทันทีแต่ในยุคสมัยหรือในท้องถิ่นที่ชายหญิงมีสิทธิ์เท่าเทียมกันกายของคู่ครองนับเป็นวัตถุต้องห้ามทั้งสิ้นเมื่อตกลงปลงใจเป็นของกันแล้ว และประกาศให้ผู้อื่นทราบแล้วไม่ใช่สิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะละเมิดข้อห้ามไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นได้โดยพละการกรณีของคุณไม่ถือเอาพิธีและรมเนียมประเพณีเป็นตัวตั้งแต่อาศัยกำลังใจของทั้งสองฝ่ายเป็นหลักอาศัยกำลังใจในการทำข้อตกลงร่วมกันนั้นภาวะสามีภรรยา ย, ย่อมเกิดขึ้นจริงต่างฝ่ายต่างมีสิทธิในการและกันจริงเช่น พอใครถามแฟนคุณว่ายังโสดหรือแต่งงานแล้วความยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกับคุณย่อมทำให้ระลึกได้ว่าตนเองไม่โสดไม่อิสระมีเจ้าของแล้วแต่งงานแล้วหากเธอพูดว่ายังโสดใจย่อมขัดแย้งกับตนเองเพราะรู้ว่าไม่ตรงความจริงเป็นเรื่องโกหกเป็นคำมุสาทำนองเดียวกันเมื่อชายใดจะขอร่วมอภิรม ทางที่จะไม่รู้สึกผิดคือปฏิเสธและชี้แจงว่าเธอหมดสิทธิทาตามใจชอบแล้วไม่ใช่คนโสดแล้วถ้าเขายังฝืนทาก็เท่ากับผิดสองกระทงคือขืนใจและละเมิดสินข้อสามเต็มเตมครับจะเห็นว่าการตกลงกันด้วยวาจานั้นไม่ว่าจะต่อหน้าหรือผ่านอินเทอร์เน็ตก็ล้วนเป็นกรรมผูกพันร่วมกันไม่ใช่ของเล่นที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะละเมิดตามอาเภอใจ พบหรือภาวะทั้งหลายล้วนเป็นสิ่งที่จิตสร้างขึ้นมายึดไว้ด้วยอำนาจความทยานอยากเช่นเมื่อสร้างพบสามีภรรยาขึ้นมาด้วยความปรารถนาครอบครองกันก็ต้องมีกติ ก, กาประจำพบสามีภรรยาใครละเมิดกติ ก, กาก็ต้องอาศัยกำลังใจฝ่ายต่ำยังจิตให้มืดเป็นอกุศลเป็นการก่อบาปเวร ส่วนใครทําตามกติ ก, กาหยับอย่างช่างใจได้เมื่อมีเรื่องอยุ่วให้ผิดก็ต้องอาศัยกําลังใจฝ่ายสูงยังจิตให้สว่างเป็นกุศลเป็นการทำบุญ